มีพี่คนหนึ่งเราว่าเนี่ยวันหนึ่งเธอก็ไปซื้อของที่จตุจักซื้อเสร็จก็เดินนะไปที่รถกลางทางเนี่ยก็เจอชายวัยกลางคนเนี่ยนะยืนอยู่ใกล้ๆกับเด็กตัวเล็กๆเธอก็ไม่สนใจอะไรก็เดินผ่านไปสักพักก็มีเสียงไล่หลังดังขึ้นมานะาเด็กคนที่มันน่าสงสารจริงๆนะ พ่อก็ขายยาบ้าจนติดคุกแม่ก็ไม่สนใจเลี้ยงดูเด็กมันต้องไปขอข้าวบ้านนั้นบ้านนี้กิ น, นันที่แรกเธอก็ไม่สนใจนะแต่ว่าพอได้ยินเสียงนี้เข้าก็หันกลับไปที่ต้นเสียงก็ได้เห็นรายละเอียดนะว่า เด็กคนที่อยู่ข้างๆกับชายที่เป็นต้นเสียงเนี่ยอายุประมาณช่งห้าวขวบได้ผิวดำผอมเกรงแล้วก็ใส่กางเกงก็เสื้อผ้าก็มอซอ่ะรองเท้ารองเท้แต่เก่าๆแล้วเธอก็หันไปมองรอบๆนะว่าเนี่ยชายคนนี้เนี่ยพูดกับใคร ก็ไม่เห็นคนอื่นเลยแสดงว่าชายคนนั้นเนี่ยคงจะไม่ได้พูดกับใครอื่นนะนอกจากตัวเธอเธอก็เลยเดินนะไปหาสองคนนั้นแล้วชายคนนั้นก็เล่าว่าเนี่ยนะคุณดูสินะเด็กคนนี้มัน ม, มีอะไรจะกินเลย ผมต้องให้เงินมันวันละยี่สิบบาทเป็นหัวมันมากเลยวันวันนี้ก็ไม่ทำอะไรนะก็ได้วิ่งไปวิ่งมาอยู่แถวนี้กลัว โ, นโดนรถชนนล้วนอกจากไม่ ม, ไมีมีอะไรจะกินแล้วเนี่ยป่านนี้ยังไม่ได้เรียนหนังสือกับเขาเลยทีแรกเธอก็สงสัยว่าเนี่ยผู้ชายคนนี้เนี่ย จะเอาเด็กคนที่มาหากินหรือเปล่าพราะเดี๋ยวนี้มันมีแก๊งนะแก๊งที่หากินกับเด็กให้เด็กไปขอทานแล้วก็ตัวหัวหน้าแก๊งก็นะเอาเงินของเด็กไปเดี๋ยวนี้มันก็มีคนที่หลอกลวงหาเงินคนนะ ด้วยวิธีการต่างๆมากมายนะเธอก็ไม่แน่ใจนะระวงผู้ชายคนนี้ซึ่งนะอยู่ในวัยกลางคนก็เลยนะดึงเด็กคนนี้เนะี่ยออกมาห่างๆซักหน่อยแล้วก็ถามข้นะอเท็จจริงจากเด็กคนนี้ก็ตรงนะอย่างที่ผู้ชายคนนี้เล่า ก็คือว่าเนี่ยพ่อขายยาบ้าแม่ก็ไม่สนใจเลี้ยงดูนวันวันนี้ก็ต้องไปหากินจากทินั้นที่นี่แล้วก็ได้รู้เพิ่มเติมว่าเนี่ยเป็นเด็กที่อยู่ใต้สะพานลอยและเด็กนก็มีท่าทาที่อ่อนน้อมสุภาพมากนะเวลาตอบแต่ละครั้งนี่ก็จะมีคำว่าครับครั บ, รบแต่คนนี้ชื่ออาร์ตนะ เธอมารู้จากปากเด็กคนนี้เอาชื่ออาร์ตแล้วก็เด็กยังพูดอีกนะว่าเนี้ยเมื่อไรผมจะได้เรียนหนังสือครับเพียงคนนี้ก็เลยเกิดความสงสารนะแล้วก็ยื่นเงินให้ไปจํานวนหนึ่งก็คงประมาณ 20-30 บาทนันะ แล้วก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวป้าจะช่วยหนูนะให้ได้มีหารกินแล้วก็ได้เรียนหนังสือแล้วเธอก็นะเดินไปที่ชายคนนั้นขอเบอร์โทรศัพท์แล้วก็รู้ว่าชื่อพยุงนะแล้วเธอก็บอกว่าเนี่ยจะเธอจะลองติดต่อดูนะว่าจะมีใครช่วยอะไรได้บ้าง แล้วก็อยาให้คุณเนี่ยช่วยประสานงานนะกับคนที่อยากจะช่วยเด็กพอจะกลับไปถึงบ้านนะนะเธอก็ไม่รอช้าสอบถามเพื่อนว่าเนี่ยจะมีที่ไหนเนี่ยช่วยเด็กแบบนี้ได้บ้างก็มีคนแนะนำนะมีเพื่อนแนะนำนะศูนย์ประชาบ ด, ดีนะของกระทรวงพอมอเธอก็ติดต่อไปเลยนะไปที่ศูนย์ประชาบ ด, ดี แล้วก็ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเด็กคนนี้สามารถต่อมาเธอก็โทรไปถามติดตามผลก็ได้ความว่าเนี่ยเจ้าที่ของศูนย์ประชาบดีเนี่ยติดต่อเด็กแล้วแล้วก็ได้ทราบว่าเนี่ยเด็กคนนี้เนี่ยแม่ของเขาเนี่ยมีสามีสามสี่คน แล้วก็มีลูกไม่รู้จักสาก 3, มีคนไหนเนี่ยก็3 4คนตอนนี้เนี่ยลูกคนอื่นเนี่ยมีคนรับไปเลี้ยงแล้วไปดูแลแล้วขาดแต่เด็กคนนี้คืออาร์ตแต่ว่าแม่เนี่ยไม่ยอมอเซ็นยินยอมแล้วก็ไม่ให้สวติบัตเพราะถ้าไม่มีการเซ็นยินยอมจากแม่แล้วก็ไม่ได้รับสตุบัตเนี่ย พอหมอก็เอาเด็กเนี่ยไปสถานสงเคราะห์ไม่ได้ก็กำลังดาเนินการอยู่นะสามวันต่อมาเธอก็โทรไปถามคนที่ชื่อพยุงเนี่ยก็ได้คำตอบว่าตอนนี้เด็กได้ไปสถานสงเคราะห์แล้วเด็กดีใจมากเลยเนะพ่อแม่เนี่ยให้ สูติบัติแล้วก็เซ็นยินยอมแก่เจ้าที่ผ อ, อนี้ขอลดมารลับนี่เด็กรีบขึ้นรถเลยนะดีใจเพราะว่าจะได้มีที่เรียนแล้วเด็กไม่ร่าลาแม่เลยนะเพราะคงรู้ว่าเนี่ยอยู่กับแม่นี้ก็ไม่ได้รับความรักอะไรเลยนะต้องดินน้นรนหาอาหารกินเอง พอมีท่าทีที่จะพอมีช่องทางที่จะออกจากบ้านได้เด็กดีใจมากเด็กก็ไปอยู่กับนะศูนย์ประชาบอดีนะสถานาสถานสงเคราะห์นะตอนหลังเธอก็ไปเยี่ยมอาร์ตนะที่สถานสงเคราะห์เนี่ยโอ้ปรากฏว่าหน้าตาแจ่มใสขึ้นมากนะแล้วก็ในที่เคยพร้อมนี่ก็กลายเป็นเด็กสมบูรณ์ไปแล้วที่เคยดำเกลียม นะก็มีผิวมีน้ำมีนวลมากขึ้นก็เลยสบายใจนะสบายใจว่าเด็กในเด็กคนนี้เนี่ยก็คงจะมีนาคตแล้วละ่ะเพราะว่าถ้ายังอยู่กับแม่หรืออยู่ใต้สะพานลอยเนี่ยก็คงอดไม่ได้นะที่อาจจะเป็นขโมยนะเพื่อหาอะไรมาประทังชีวิต และต่อไปคงจะค้ายาบ้ากรณีนี้เนี่ยมันน่าสนใจถึงว่าตรงที่ว่าเนี่ยผู้หญิงคนนี้เนี่ยเดิมทีก็ไม่ได้สนใจเด็กคนนี้นก็แค่เดินผ่านเลยไปและพอมีคนบอกว่าเนี่ยเด็กคนนี้มันน่าสงสารเธอก็ยังระแวงนะแล้วก็ มีความเชื่อว่าเนี่ยสงสัยนี่ผู้ชายคนนี้ก็คงจะเป็นวนนักแก๊งนะหาเด็กหากินกับเด็กขอทานแต่ว่าแทนที่จะแทนที่เธอจะด่วนสรุปแทนที่เจะแทนที่จ ะ, ททจะเธอจะเชื่อความคิดของตัวก็หันมาสอบถามเด็กก่อนแร้วคนจะนวนมากเนี่ยพอเจอภาพแบบนี้เนี่ยก็จะเชื่อเลยนะว่าเนี่ย อั น, นี้มันคงจะไม่ชอบมาพากลหรือว่าสรุปไปแล้วว่าเนี่ยอันนี้มันแก๊งเด็กขอทานผู้ชายคนนี้มันต้องหากินกับเด็กขอทานแน่เลยหรือเด็กคนเด็กๆยากจนแต่จริงไม่ใช่เลยนะเข้าศาสนาเดียวกับเด็กจริงๆแล้วก็หวังดีกับเด็กรู้ได้ยังไงนะรู้ได้เพราะว่าสอบถามจากตัวเด็กนะพอสอบถามก็ได้ความจริงว่าเนี่ย มันไม่ได้เป็นอย่างที่เธอคิดไม่ได้เป็นอย่างที่เธอระแวงและพอรู้แล้วนี่เธอก็ไม่ได้ดิง่งดูดายนะจริงเวลาที่เธอให้กับการช่วยเหลเด็กคนนี้ก็ไม่ไม่ได้เยอะอะไรนะแค่โทรศัพท์ไปถึงศูนย์ประชาบดีแค่โทรศัพท์ไปตามผลมันก็สามารถจะช่วยเด็กได้เยอะเธอก็พูดขึ้นมานะว่าเนี่ยถ้าเกิดว่า วันนั้นเนี่ยเธอนไม่สนใจที่จะสอบถามความจริงจากเด็กหรือว่ากลับมาบ้านแล้วก็ไม่สนใจที่จะโทรถามว่าจะช่วยเด็กได้อย่างไรมีศูนย์ที่ไหนที่จะช่วยเด็กหรือได้ข้อมูลแล้วว่าในศูนย์ประชาบดีเนี่ยเขาจะสามารถช่วยเด็กได้แต่ลืมโทรลืมเช็กลืมสอบถามหรือว่าลืมแจ้งข่าว เด็กคนนี้ก็อาจจะจมอยู่ในความทุกข์แล้วก็เมื่อโตอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีก็โตขึ้นก็อาจจะนะเป็นคนไม่ดีได้เก๊กมา เ, เ, เลยเกเรฆายาบ้าหรือไม่ฉะนั้นก็อาจจะเป็นผู้ร้ายนะที่ชํำเราผู้หญิงหรือว่าอาจจะยิ่งกว่านั้นนะกลายเป็นฆาตกรแต่การที่ ได้ทำอะไรเนี่ยแม้เพียงเล็กน้อยเนี่ยยอมให้เวลาให้ความใส่ใจซึ่งไม่ได้ใช้ความเสียสละอะไรมากนี้มันก็สามารถจะช่วยชีวิตของเด็กคนหนึ่งและอาจจะช่วยช่วยคนอีกหลายคนนะที่ไม่ต้องไปตกเป็นเหยื่อของคนที่เป็นผู้ร้ายนะเพราะว่าไม่ได้รับการเลี้ยงแลตั้งแต่ยังเป็นเด็กนะ อันนี้ก็เรียกว่าไม่ได้แค่ช่วยชีวิตของเด็กหรือว่าทำให้เด็กมีอนาคตนะแต่ว่ามันยังช่วยคนอีกมากมายไม่ต้องตกเป็นเหยื่อของคนที่เติบโตมาในสภาพที่เลวร้ายแล n แค้มแล้วก็เป็นการช่วยสังคมด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราทำเนี่ยแม้จะเล็กน้อยเนี่ยแต่ว่ามันอาจจะมีคุณค่ามีความหมายนะขอว่าเพียงแต่ว่าเราใส่ใจนะและความใส่ใจของเราเนี่ยวันนี้อาจจะไม่เห็นผลชัดเจน แต่วันหน้าอาจจะเกิดผลซึ่งดีแค่ไหนเราก็า จ, จะไม่รับรู้นะแต่ว่าที่แน่ๆคือมันเกิดผลดีอย่างแน่นอนทั้งกับตัวเด็กแล้วก็ต่อสังคมนะที่เราอยู่